Thank you. พอลู่ลูบนำแล้วมันหักออกมันเป็นสับเฉพาะนะตรงนี้ท่านจ้ลดเสียงลงไม่รู้จะพูดยังไงหักออกเนี่ยว่าแต่ลู่ลูบนำตอนนั้นแหละมันเกิดหักออกเลยหักออกหักออกนี่คืออะไรเฮ่อเจียนเนาะพราะเธอท่านพูดเสียงความถี่หลายเดซิเบลเกินไปมั้ง มันเลยหลับกันจังนะแต่ถ้าพูดค่อยๆมันจะต่างใจฟัง mm hmm. พูดดังมากก็ไม่ได้มันเลยหูไปเฮ้ยเท่ากับกลม่มเนี่ยคนโง่ก็คือโง่แล้วทำยังไงธรรมะนี่เอาป้อนให้มันกำมันกินไม่ลงเอาของจริงมาให้ฟังก็ไม่ได้มันต้องไปฟังอะไรที่ ลองดูดินั่งกายตรงนั่งกับสมารถหลับตาฟังลองดูดิสบายอหลับอันนี้เราปลุกกันนะปลุกกันมาพบพระอ น, น, นีเห็นไหมพระไม่หลับสักองใช่ไหม <c oughs> มันยากเนาะ <c oughs> ยากเหลือเกินเอาตัวง่วงๆเนี่ประหลาดมากของไม่มีตัว อีนางส้มอยู่ในวัดรงทานมันไม่กลัวผีมาตั้งแต่เด็กนะถ้ากลัวผีไม้หลวงทานงนหนูไม่กลัวพ่อห้าทำไมไม่กลัวพ่อหนูเคยปวดมากมาแต่งงานกับแม่หนูท่านสอนว่าผีมันไม่มีจริงมันไม่มีตัวตนหลอกหนูอย่าไปกลัว เราคิดเอาเฉยๆหนูก็จําไว้ตั้งแต่นั่นมาโอ้โมันจําตั้งแต่ป .5 เลยนะมันไม่กลัวผีแล้วมันปฏิบัติธรรมเลยให้มันไปเก็บของในเมนุให้มันไปได้หมดอนะผู้หญิงตัวเล็กๆพ่อบอกว่ากลัวนะให้กลัวคนกลัวคนนะผีนี่ไม่ให้กลัวมันไม่มีให้กลัวคนเพราะคนมันมีตัวตนมันหนึ่งมันนั่งซากจระเข้นั่งไปนั่ง น่วงนอนนั่งมามาเห็นหหหนั่นแหละไงหลังตกลงงนนลุกขึ้นมาเดินมาลงตาความม่วงไม่มีตัวตนทำไมมันมาทำร้าย ห, หนูหนูก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรมันมนะ เหมือนว่ามันไม่ได้ไปทำร้ายอะไรกับความวง่วงทำไมความง่วงมาทำร้ายหนูโอ้มันมาทางไหนหนูก็ไม่รู้ผักหนูต ก, กเก้าอี้เลยโอ้เอาจริงแล้วเว้ยทีนี้วะเธออย่าไปยอมมันนะมันแอบมาข้างในมันเป็นปีศาจร้ายมาในใจเราเนั่นแหละเธอไปแอบดูหนูไม่ยอมแล้วทีนี้มนไม่ยอมนตะั้งแต่นั้นมามันแอบดู มันว่าเห็นแล้วหนูเห็นแล้วมันเข้ามาอย่างนี้จัดการได้แล้วตั้งแต่นั้นมามันไม่หลับสักทีเลยมันจะเห็นก่อนทุกทียไม่มีเลยนะเด็กรุ่นเดียวกันก็คือมันไม่ตื่นปานนี้ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเด็กไปวิจัยป .5 24คนตั้งใจปฏิบัติเกิดปิธิกับสมาธิ18คนทำได้ไอตัวนี้เคสประหลาดกว่าเพื่อนหน่อย มันว่าหนูก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรให้กับมันมันทำไมมาทำร้ายหนูปากหนูตกเข้าอี้เลยนี่นี่ไปยอมมันหนูจะไม่ยอมละโวมันสู้ก็ตายเลยทีนี้เราก็ปล่อยดูมวยมันชกกันผลที่สุดอีนางนี่ชนะผีนี่มันไม่กลัวมาแต่ไหนแต่ไรแต่มันกลัวความง่วงมันไม่เห็นที่มันก็เห็นแต่พอเรามาปฏิบัติทำมันไม่รู้สึกว่ากลัวความง่วงเลยใช่ไหมมึงมาเลยกูจะหลับให้มึง คือมันงู้กว่าเขาเนี่ยงู้กว่าน่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะมันไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีตาทิพนะเ น, นี่ยมีตาทิพเขาเรียกว่าเกิดทิพภัจสุอันดับแรกเนี่ยเกิดจุดตูปปาตยานยานของพุทธิยาเนี่ย จุดตัวปัญญาจุดตูปา ต, ปตยานเน่ยไ ม, ไม่ใช่เกิดปุเพนิวาสนานุสติญาณปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเกิดญาณอันนี้เกิดความอย่างรู้การรู้แจ้งเรื่องจิตที่มันไปนหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ญาณใ น, นตอนปฐมมยามปุเพแปลว่าการก่อนนิวาสสถาน แปลว่าที่อยู่นุสติอนุสติญาณญาณคือความอย่างรู้ความรู้แจ้งที่ไปรู้เห็นถึงที่อยู่ของจิตแต่ปางก่อนว่ามันไปอยู่ตรงไหนบ้างภาษาเขาใช้คำให้เราเข้าใจง่ายๆแต่มันรู้ยากทึ่งมากก็คือระลึกชาติแต่หุนหลังได้ปฏิติธรรมนที้นะ การเรียนสติมันจะเกิดตาทิพย์เลยลึกชาติมันเห็นชาติก่อนชาติเก่าแต่หันหลังเนี่ยว่าเราไปเกิดอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแต่เวลาเราปฏิบัติทําเนี่ยเราจะเห็นชาติก่อนชาติหลังคือการที่เราไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรตั้งแต่อดีตถ้าจะเกิดมาบางทีจําไม่ได้แล้วนะเราจําไม่ได้ตั้งแต่เล็กตัวน้อยอยู่ๆมันก็ผุดออกมาเวลาคนได้สติได้เสร็จได้รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาสักน้อยสว่างมาหลังจากนั้นอารมณ์นี่จะเกิดล่ะ คือมันเริ่มมีตานน้อยนะคือเกิดญาณมันจะเกิดกัรและลึกชาติพอสติในเวลามันใส่ข้อมูลอะไรลงไปพอสติบุ้มคมไว้เนี่ยอันนั้นมันจะฟุ้งขึ้นมาเนี่ยอันที่มันเป็นนอนเนื่องอย่ในจิตเราตั้งแต่เด็กนะมันเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลไว้แล้วมันจะเริ่มไหลมาหลุดออกมาที่อันแต่ถ้ามีเยอะๆนะถ้าได้สติเยอะๆมันจะหลุดพัวออกมาหมดเลยมันออกมาแล้ววุบแล้วก็หายไปแล้วใจสบายเขาเรียกว่า กิเลสมันถอนกิเลสมันจำลองกิเลสกิเลสที่อยู่ในอดีตในใจเราเนี่ยที่เราไปทําอะไรกับใครไปรักใครชังใครโกรธใครไปทะเลาะเบาแวงเกลียดชังใครที่ไหนมากๆเนี่ยมันจะฝังใจอยู่ลึกๆนะ mm hmm. คือทําอะไรก็ทำที่ทําด้วยความพยายามพยายามด้วยความชังกับความรักสองค น, นเนี่ยมันจะพูดธออกมาจากจิตเราตอนนั้นอะเวลาเกิดปัญญา น, นี้ปุ๊บเพ่ เขาียว่าเป็นชาติเป็นชาติเป็นชาติเราไปทำอะไรเป็นชาติเป er. ็นพบเป็นภูมิเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องอยู่ในนั้นบางคนอย่าว่าแต่ห0าชาติเหมือนพุทธิยาเลยเป็นหมื่นชาติแสนชาติแต่ถ้ารู้ด้วยยาเนี่มันผุดออกมาแล้วมันจะดับผุดมาดับดับไปเหมือนสไลด์นี่วับเหมือนเปิดทีวีตั๊บดับบ้บดับเปิดเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องพราะจะเห็นานั้นแหละเมื่อมันเหมือนมีไฟไฟตะบะ พอมันเห็นมามันไหม้ดับไปไหม้ดับไปคือเหลือแต่เป็นความจำเฉย้แต่ก่อนนี่ถ้าเรื่องนั้นนึกขึ้นมาแล้วเราจะอินกับมันเกิด ค, ความรักความชังความพอใจแม่พอใจบางทีก็ร้องไห้กับอดีตนะทาไมต้องเป็นอยงนั้นเป็นหลายหลายคนนะอยู่บ้านไปทํางานกรุงเทพเนื่องถึงพอ่อถึงแม่มนต้องหอบมาบ้า น, นดีๆเนื่องถึงคนรักรีบไปหาเลยนี่จิตมันเป็นอย่างนะั้นเน่ยมันพอใจ มันชอบแต่นี้พอมันแวบขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะอยู่ๆมันก็หลุดออกมาทีละเรื่องหลุดออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องละเรื่องหลุดมาเรื่องไหนก็ดับไปหลุดมาเรื่องไหนก็ดับไปหลุดมันก็ดับไปเดือบไปดับไ ป, บไปจนถ้ามันหมดนะืึหมดแล้วนะหมดอดีตชาติของคูแล้วเีวนี้จบนะตรงนี้ปรากฏว่ามันเกี้ยงอหอยนะเป็นศัพท์เฉพาะเกี้ยงห อ, อยเนี่ มันก็จะหายไปแล้วจิตจิตเราเนี่จะไม่ทุกข์เพราะเพราะเรื่องราวในอดีตนะเอาสมมติว่ามันไปถูกสุกคนทาร้ายตั้งแต่เด็กที่เป็นบาดแผลนะ่ที่เขาใช้คาว่าบาดแผลในใจถูกทําร้ายแล้วมันฝังใจเวลานอน <c oughs> ม, มีโยงคนงหนึ่นลงล้งตาลุ้งตาแต่หนูเห็นพระแต่ก่อนนะ่ ทำไมมันชอบมีคำอะไรไม่ดีออกมาในใจเนี่ยวันนี้ก็หลับดีจังมันเนี่ยทำไมหลับจังก็ไม่รู้ <c oughs> คือเขาจะมีคำแบบไม่รู้เขาเป็นยังไงอะก็ถามมันเป็นอะไรไี่หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตอนไหนมันชอบมีคำคือมันไม่ชอบพระมากๆมีคำสะบทแบบลามกมากๆด่าพระนี่นะมันออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเขาว่า้าเห็นนะนั้นเขาจะไม่อยากไปหาพระ เขากลัวบาปเพราะว่าจิตทีต่ ด, ด่าพระนี่มันออกมาอย่างไม่ทําใจเลยควบคุมไม่ได้อเอาแต่พอปฏิบัติทำแล้วก็สติก็เริ่มดีขึ้นนีขึ้นตอนนี้ถามดูก็เอาก็เริ่มดีในนี้เขาก็มีนะเนี่ยคือใจมันเป็นแบบนั้นเนะี่ยคือมันไปไปนึกเอาไว้คิดเอาไหรือบางคนนี่กลัวหนอนใช่ไหมกลัวตัวหนอนตัวบุ้งนะฝังใจเลย นึกขึ้นมาเท่า น, นั้นแหละยากายหมานี่เห็นในโทรทัศน์ยังวิ่งหนีเลยตัวหนอนมันกระดึบกระดึบตามอยู่ๆยอะเขียวเนาะว้ายมี่นะดูโทรทัศน์ยังไม่รู้อยู่ดูในโทรทัศน์โทรศัพท์เมันก็กลัวแต่พ่อปฏิบัติธรรมรสบายยิกได้แม้กระทั่งหัวตะขาบเก่งกว่าพระเรานะตะขาบมียิย้ๆตะคบทันทีนะใยหมาไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเนี้ตะขาบมีป่องไอ้จ่าเนี่ยอืม พอตะคุบยิกปุ๊บเอาไปหลอกคนนั้นหลอกคนนี้นันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนี่แต่ก่อนคนไม่กลัวนั่นเป็นกลัวแก่ น, นเดี๋ยวนี้ไปกลัวทําไมนแต่จะปิ่งคนเนี้ยปิ่งจับเอาจับดึงหัวหัวท้ายหัวท้ายเอาไปหยอกคนสบายเลย <นะ S 1> แต่แกกลัวแต่ตัวหนอนในโทรทัศน์มันฝังใจนะซึ่งมันไม่ออกมามันอยู่ในกระจกนะแต่ก็ ก, กลัว ไปเห็นต้นไม้นี่แกจะมองเลยใบมันมันเหี้ยนหรือเปล่าเนี่ดูจนหมดนะให้ไปลดต้นไม้แกไม่เอาไม่ตายใจให้ไปลดต้นไม้เลยเป็ น, นอกลัวตัวหนอนมันจะมีในนัน่นนะแกกลัวมากพอปฏิบัติทมแล้วก็แต่ก่อนนี่โอ้ยลงตาพันพันไฟใบไม้นี่นี่ปะใส่เสื้อแกนะแกเสื้อทิ้งเลยนะเหลือตันนมวิ่งไปเลยอ้าวอะไรนะ่ดูให้ชัดชัดก่อนที่อะไรเนี่ยวะเฮ้ จะเหมือนจะหัวใจวายตายลงุงตากตกใจน้มันหนูวตายได้มาหัวใจวายตายนั่นเอว่านะฮะไม่เอาเลยดิเสื้อน้อยเสื้อใหญ่เอาออกหมดเลยดิไปเลยูโอ้ยวิ่งได้เลยนะมันฝังใจนะทั้งที่มันเป็นไม้ไ ม, ไม้พันเฉยเฉยเนี่ยมันก็ไปดูดิเนี่ยไอตัวหนึ่งเนี่ยทีนี้มันจะฝังใจอยู่แบบนั้นฝังใจฝังใจไอพวกนีนะ้ออกง่ายพวกนี้นะ อารมณ์พอดีออกง่ายแล้วมาตัวหนึ่งไอ้ที่มันติดขยับเข้ามาหน่อยนี่คือความเชื่อเรื่องผีผีสางเทวดาเนี่ยเป็นความเชื่อที่มันเป็นเปลือกที่ติดยนกิดเราเพราะมันเกิดรู้รูปนามตอนนั้นเนี่ยมันจะหลุดพวกออกไปเนี่ยใจใจเรานะ่ะแล้วมาขยับมาหน่อยเนี่ยไอ้ตัวที่มันออกอยากในตัวง่วงตัวง่วงเนี่ก็ไม่มีตัวตนแต่มันก็ชอบเนี่ยเนนี่มันชอบเพราะว่ามันหัดมาตั้งแต่เด็กหัดมาตั้งแต่เด็กแล้ว จู่ๆจะให้เห็นว่ามันไม่จริงนะไอเดี่ยวเนกะินไปแล้วก็กามอารมณ์กรารเนี่ยมันผุดออกมาเนี่ยอันนี้มันออกอยาก่างต้องเกิดญาณวิปัส น, นาแบบขั้นสูงหน่ยอยไอเดี่ยมันจะหลุดออกได้มันจะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปแปลกมากวิชาของพระเจ้าสามารถทําลายออารมณ์ที่ฝังใจทั้งหมดเนี่ยได้ตายแล้วไปเกิดเป็นนั่นเปน็นนี่อะไรนี่จ้าเนี่ย มันก็จะไปเห็นแจ่มแจ้งภาวะอันนั้นแหละแต่อันดับแรกเนี่ยมันจะเห็นจิตที่มันไปซ่อนเล้นที่ตื้นก่อนไอความรักความชังโกรธเกลียดหรือความไม่ประทับใจหรือไปเห็นภาพอะไรที่มันมันฝังใจลึกๆมาแต่อดีตน่ะไอพวกนี้ในเวลาจิตเราจะตายเอ่ะมันจะผุดออกมาปัญหามันนถ้าทำลายไม่ได้ก่อนน่ะมันจะไปในภพในชาเคยเป็นยังไงมันก็จะเกิดเป็นภพเป็นชาตินั้นนี่ศาสนาคริสเขาดีนะศาสนาคริส ดียังไงศาสนาคิดเนี่ยคือเวลาตายเนี่ยไปรับคําพิพากษานะไปฟังคําพิพากพิพากษาว่าจะได้ไปสวรรค์หรือนรกพิพากษานะตายแล้วไปรอ ว, วันพิพากษาไปครั้งเดียวนะถ้าไปสวรรค์ก็คือสวรรค์เลยนะไปนรกก็ไปนรกนะแล้วก็จบเลยศา ส, สนาคิดเนี่ยไปศึกษาดูดิ แต่ศาสนาพุทธเนี่ยไม่แน่นอนเดี๋ยวไปนรกพอหมดกรรมในนรกมาไปสวรรค์พอไปสวรรค์แล้วก็ตกไปนรกกลับไปกลับมาศาสนาพุทธเนี่ยใช้นี้ในสวรรค์พอแล้วก็ไปนรกพอเป็นโลกในั้นชาตแล้วไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปอสุรกายเ ป, เป็นเป็ดศาสนาพุทธที่เยอะมากน่ากลัวน่าจะเปลี่ยนศาสนาเป็นนับถือทางนู้น มันหลายนรกมากนะแปลกมากแต่ศา ส, สนาคิดไปดูก็ได้ลูกตาเออดูคักดูแน่แล้วปรากฏว่าเขามีแค่ครั้งเดียวเองตายแล้วเนี่ยไปรอวันพิพากษาแล้วก็ไปแต่นั้นเองไปสวรรค์ก็สวรรค์นรกก็นรกน ก, ก็จบของเราเนี่ยังไปนะตายเป็นหมูนะมันรตายเป็นหมูนะเป็นหมูแล้วไปเป็นไก่นะเป็นไก่แล้วไปขึ้นสวรรค์ท่านั้นปีท่นี้ปีตายจากสวรรค์ลงมาเป็นนรกเป็นเปรตนะแล้วกลายมาเป็นพระนะ นะถ้านอนกลางวันตอนเป็นโยมเนี่ยปฏิบัติธรรมนะบาปกรรมตายไปเป็นหมูนะแต่ถ้าเป็นพระนะมาหลับตอนปฏิบัติธรรมตายไปเป็นหมาอะไรเป็นเมรณะโวมันหนะลายระบบจังมันี่ยโอ้หน้ากลัวมากาศาสนาพุทธมันหลายจังหวะนะมันน่าจะมีรอบเดียวก็จบแต่ไม่ คือเขาสอนเข้าวางไว้ไปนี้เราก็เป็นความเชื่อฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้ฟังไว้แต่พอปฏิบัติทำมาเนี่ยพอรู้ลูปนามันว่านั่นแหละมันจะผุดออกมาผุดออกมาแล้วมันก็ดับไปดับไปดับไปลงตากคาเห็นเป็นแบบนั้นนะมันก็หายไปโอ้ยมันสว่างแต่เราจำได้นะจำอดีตได้อืเคยรักเคยชังเคยโกรธเคยเกลียดชีวิตที่เคยถูกขืนขมมา อะไรก็ตามรู้สึกว่าเป็นความจําแต่ว่าเป็นแผลเนี่ยแบบนี้แต่มันเป็นแผลเป็นแผลเป็นคือมันหายแล้วเอายาพิษมาใส่ก็เฉยนี่เอาอะไรมาใส่มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วมันเป็นแผลเป็นเป็นแป้าเป็นเป้าในใจนิดน้อยแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติทําให้เกิดยานะนี้นะใครมาพูดเรื่องนี้รู้สึกมองมันขึ้นมาแต่ดีนะ เกิดอารมณ์ทันทีนะถ้าพูดเสนน้อยก็เกิดน้ําตาไหลแล้วคิดถึงเรื่องอดีตอดีแต่นั้นอดีตตอ น, นี้มันขึ้นมาแต่อันนี้อดีตก็ฟังได้ฟังได้สนุกได้สนานนะ่คือฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าจะให้มันประทับใจหรือเจ็บปวดเหมือนก่อนมันไม่เจ็บปวดละนี่คือมันหายมันขึ้นมาแล้วก็หายขึ้นมาแล้วก็หายแม้แต่คนที่เคยไปทําสมาธิ แบบนั้นแบบนี้พอรูบรูบน้ําเอาละทีเนี้ยมันจะแวบเข้าไปในอาการความสงบที่เคยทําสมาธินั่นเอเด้มันไม่ใช่ง่ายเด้คนที่ชอบหลับตายมันก็จะเป็นแบบนั้นนั่นกันนะแล้วจะสงบอย่างราบเรียบมากพอทําสักเท่าไหร่ไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะไม่มีบาปกรำไม่ใช่นะอย่าคิดว่าไปทําสมาธิมาแล้วมันไม่ได้รับผลกรรมนะมันมีผลกรรมนะเป็นมาจะจะ เกิดปัญญาข้ามพวกนี้ได้สำลอกพวกนี้ออกมาได้ทามันออกได้หมดสบายลยทีนี้อดีตก็อดีตอดีตก็คืออดีตไม่มีอะไระสียเป็นอดีต ส, สดสดนที่ไม่ทุกนั้นพระกรรมาฐานหลายๆคนก็หรือแม้แต่ พ, พริท่านจะเอาเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ฟังแบบสบายใจสมัยนั้นเคยเกิดเป็นนั้นนั่นสมัยนี้นเคยเกิดแม้แต่พระก็เหมือนกันนะ เคยชั่วมาอย่างไงเนี่ยเวลารู้รวบนาขึ้นมาแล้วอยากอธิบายคนว่าผมชั่วแบบนั้นนะชีวิตผมเนี่ยขนาดผมชั่วผมก็ยังมาดีได้นะนะแค่แ่ม น, นเปิดเผยได้นะยอมพูดเล่าเรื่องอดีตให้ฟังเหมือนนางปตจล่าเนี่ยเหมือนนางนั้นเหมือนนางนี่ในพุทศาสนาะ เขามาเล่าให้กันฟังเป็นตัวอย่างสว่าใครมาชั่วมากกว่าอปู่ย่าไปหานางปตจลาไปไปหานางบุญวันนาเทรีไปนางบุญวันนาเทนางอะไรคนนึงน่งหมดคือเป็นวิกสุณีกําลังฉันข้าวอยู่บาูุธรรมคนนี้เข้าไปข่มขืนแก่เลยแล้วมันจะประทับใจอย่างมันจะประทับอยู่ในใจมันจะมีความคิดจากความขยะแขยงความอะไรขนาดไหน แต่แกเขาบอกว่าจิตแบบนี้นี่มันเป็นแบบนี้นแ บ, บนี้นแบบนี้แก่แบบนี้นบางคนทุกมาทุกทกุกทำแค่ว่าโอ้ยแกมีลูกตายมีผัวตายแกแก้ผ้าทวงทวงแล้วอยู่ในบ้านคนเขาว่าอีบ้าอีบาอ้บาอยู่เขาไล่นี้เอาไม้ไอไล่นี้วไปตรงโน้นตรงนี้ขนาดนั้นแกแค่เผลอเข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเกิดบรรลุธรรมรู้แจ้งเป็นพระสสดิบัณ์จึงได้ไปหาผ้ามานุ่หลังจากนั้นนะขนาดนั้น ถ้าคนไหนทุกข์กับแกนแกก็จะเล่าอดีตให้ฟังว่าชีวิตแกเป็นยังไงมาแกเล่าให้ฟังนลแล้วเขาจะเกิดกำลังใจอ่ะคือมันจะเล่าแบบสบายใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนเนะี่ยมันไม่รู้สึกอันนี้ก็เปิดปิดเป็นความลับมานานยูยูมึงก็มาไขความลับกูไม่พอใจมันไม่เป็นแน่เนี่ยคือมันจะเปิดมาแล้วมันล้างในใจคือเราไม่ทุกข์เพราะอดนนี้แล้วใครจะพูดไม่พูดกราตามเรื่องอดีตเนี่ยมันสบายใจนะไปมีเมียมา ก, กี่คนแล้วมเมีย มีน้อยเมียน้อยมีไหมไม่มีนะไม่ผิดศีลพี่ทํามนะไม่ผิดนะมียมกัวหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะผู้หญิงรุ่นนั้นใครไปปฏิบัติธรรมคงเห็นเ้านะ่ะแม้จะเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ยังไม่รู้นะ เ, นเขาบอกว่าชีวิตเขาเขามีกิ๊กเยอะมาก เขาเล่าให้ฟังคนนั้นก็เป็นกิ๊กคนนี้ก็เป็นกิ๊กคนในที่ทํางานเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ําไปนะนะเขาเอาไปพูดคุยชีวิตเขาเป็นป่านนี้เลยเขาว่านะแต่เขาก็ยอมรับมันคือเขาพูดดในน้ำตาร้องไหนะ้วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมเนีกล้าพูดตรงๆเลยว่าชีวิตมันมันชั่วอย่างนี้มาเขาก็บอกแบบนั้นแบบนี้ไปบน้ฟังสบายใจ มันนะเขาบอกว่าลุงตาหนูจะพาแฟนคนดีนี่ไปหาลุงตาพาแฟนคนดีพาผัวคนดีมาหาลุงตานะแต่แกเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะมีกิกหลายคนรู้จักกิกเนาะแกป น, นี้ก็รู้นะ ก, กิกเขาว่าเขามีกิกเขาเยอะหลายคนนะชีวิตเนี่ยแต่พอปฏิบัติรมแล้วลุงตาก็ไม่รู้นะแต่เข า, าเขา เขาแฟนแฟนเขาเป็นคนดีมากนะฮเขาจะพาไปกราบหลงตาที่กรุงเทพหรืออะไรแบเนักเขาก็อยากไ ป, ไปกลยกราบไปเลยโอ้ชีวิตเนาะนทำให้หูตาสว่างอไอ้ที่อยากที่มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมีเพื่อนคนหนึ่งว่ามันมันจะมาปฏิบัติธรรมเลยตามเขามา เลยตามเขามาที่ยิงตัวเองก็ไม่อยากไปปฏิบัติธรรมหรอกเพราะรู้ชีวิตเนี่ยมันตัวเองผิดศีลผิดธรรมแล้วมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงอ่ะตัวเองคงไปฟังเรื่องตกนรกหมกไหมแล้วคงจะสะท้อนสะเทือนใจตัวเองมันทรับไม่ได้เขาว่าแต่เก็มันไม่มีอะไรทําน่อไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะไปก็ไปเว้ยสกลนคร น, น่าจะดีเหมือนกันอนะอะไรประมาณแต่คนหนึ่งก็กลัวกลัวท่านตาทิพมันว่านะ กัวตาที่ประมองดูเราว่าเราชั่วออกมายังไงเนี่ยเราจะละอายท่านเนี่เกิดความรู้สึกแบบ น, นั้นนะาก็ตั้งใจนะปฏิบัตินั่นมันก็จะอะไรเนะี่ยมันก็จะคลายออกมาพระปฏิบัติธรรมเราจะเห็นนะโยมปฏิบัติธรรมก็จะเห็นชอบเล่าเรื่องอดีตให้คนอื่นฟังอดีตอดีตที่มันเป็นประโยชน์นะอดีตมนันเป็นประโยชน์นนนชนก็ไม่ว่านะ หรือใครจะมาพูดเรื่องอดีตรเราเอาอะไรมาขายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนรับได้ไม่ทุกเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยไม่ได้ชีวิตเนึ่งดังนั้นอันดับแรกเนี่ยคือเกิดปุพเพนิวาสานุสติญาณนะทําลายความระลึกรู้ที่มันฝังใจในอดีตหายหมดในใจเนี่ยไอที่มาเล่าเนี่ยไม่ใช่เล่าด้วยความคึกกระนองนะเวลามาเข้าใจเนี่ย แต่มนเป็นความรู้สึกว่าเป็นความมันรู้สึกว่าสลดสังเวชในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันหายแล้วตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์กับอันนั้นแล้วนะ น, นั้นปฏิบัติธรรมจะเกิดปัญญาอันนี้ตลอดจนความประทับใจกับพ่อกับแม่ในอดีตความผูกพันเนี่นะเหมือนกันนะผูน้นี้ที่เราเรียกว่าความกตัญญูความน้นความนี้ มันจะเจ่ยมแจ้งแล้วมันสลายแล้วจะธรรมชาติมีโยงคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมไม่ค่อยกลับไปบ้านแต่ก่อนนั้นกลับไปบ่อยมากปิดเทอมปุ้บไปดันดีเลยเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์โดยซ้าไปเป็นรองศาสตราจารย์อีกต่างหากเป็นพันเอกอีกต่างหาเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยปฏิบัติธรรมแล้วไม่ค่อยกลับบ้าน แค่ว่ามันใจมันเฉยๆนะทีนี้แม่ทําบุญมากชอบทําบุญทําบุญอ่ะก็ทำบุญทําบุญทําบุญทําบุญ บ, ญบญ่อยมากแต่ว่าปล่อยวางไม่ได้ขกานปล่อยวางไม่ได้แม่นะ่ยคิดถึงโลกคิดถึงโลกคิดถึงโลกโลกทําไมไม่มาแต่ใครก็แปลกว่าปฏิบัตธิธรรมแล้วเกศทําไมไม่คิดถึงก็คือธรรมดามีโทระก็ทําเมื่อก่อนไม่ได้ต้องไปไม่ไปไม่ได้ มันมันเป็นห่วงรู้สึกว่าเราอาะคาแตนยู่กลัวเขาจะคิดถึงเราแต่ตอนนี้เวลาแม่โทรมาก็บอกสอนแม่โดยซ้าไปแม่หนูมีตุลาอันตุลาเขต้องมาดีเนี่ยนี่เองมันเปลี่ยนไปแล้วนะโอ้แม่ไม่ปล่อยวางเลยนะแม่ทําบุญไม่ได้ช่วยแม่ปล่อยวางหรออะไประมาณเริ่มนะทีเนี้ยแม่ก็นึกว่าเอา้าลูกทําไมมันเปลี่ยนไปปา น, นี้มันไม่เหมือนเดิมเนะ่ยไปปฏิบัติธรรมวัดนี้แล้วเกิดเปลี่ยนแบบนี้เหรอนี่ะคุณนะเนี่ย เราอยากให้เนรคุณปล่อยวางจนนิพพานไปเลยนะอยากให้เนรคุณพ่อแม่นิพพานไปเลยปล่อยวางให้มันหมดเลยเนี่ยถ้าได้ยิ่งดียอมลันเลยอันนี้มันไม่ได้เพาะนั้นมนุษย์เนี่ยคือแต่มันคําว่าเนรคุณก็เขาปล่อยวางมันนี่เหมือนกันเมื่อคนละภาวะกันนะแต่จิตอันนี้มันแจ่มแจ้งมันรู้มันเข้าใจหมดแล้วจิตมันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังอะไรแต่มันเข้าใจสภาพตามความเป็นจริงและจิตมันเกิดการปล่อยโดยธรรมชาติ คือมันมันสำลักไอสิ่งที่เราเราใส่ข้อมูลเอาไว้เนี่ยแล้วทําให้เราเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่เป็นทุกข์ไม่ว่าความดีหรือความชั่วมันจะออกหมดอันนี้อันนี้เขาต้องบอกว่าพุทธศาสนามันอยู่เหนือดีเหนือชั่วมันเหนือดีเหนือชั่วนะแต่ถ้าถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเราต้องสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีต้องนั่นต้องนี่เรื่องบาปเรื่องบุญนี่ต้องมากๆดังนั้นสังคมมันแปรปลวน แต่อันนี้ถ้ามันหลุดพ้นสูงขึ้นเหนือบุญเหนือบาปไปมันเป็นอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยผู้ศาสนาจะสอนอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมเหนือเวรแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติทําหรือปฏิบัติไม่ลึกซึ้งต้องมีข้อมูลเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเวรใส่ไปสังคมมันก็ปกติอันเนี้ยแต่ถ้าหวังหลุดพ้นมันหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากความผูกมัดความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงนะรู้แจ้งหมดเลยแต่ถ้าคนไหนมาฟังเอาอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยบาปบุญไม่มีละบูลุยแล้วว้ นี่บาปตายเลยนะเนี่ยคือจิตมันเปื้อนด้วยบาปจิตมันยังไม่พ้นภาวะแต่เราคิดเอาเองแล้วเราก็เป็นทุกข์ลองดูดิเราไปฆ่าใครสักคนคิดว่ามันไม่บาปนะไปฆ่าแล้วคุณก็จะติดอยู่ในความคิดคุณคุณจะออกไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปทําร้ายใครสักคนเนี่ยเขาก็ตอบสนองคุณคุณก็ทุกข์อีกแค่คุณไปด่าคนเขาด่าคืนในคุณก็เจ็บปวดแล้วคุณว่ามันไม่มีบาปมีกรรมแต่คุณก็เจ็บปวดเพราะว่าในจิตมันยังมีบาป คุณไม่ได้เกิดจากการรู้แจ้งของคุณเองแต่คุณคิดว่าไปฟังมาเฮ้ยนรกชาติหน้าไม่มีพอไปทาแค่ว่าชาติหน้าไม่มีเท่านั้นเองจิตเป็นเศร้าหมองแต่และคืนก็าหวาดผวาเรื่องแบบนี้เดห้หน่อมันก็จะมาตามสนองละความรู้สึกตึกคิดเนี่ยเหมือนคนหนึ่งเขาทำแท้งนะตามปฏิบัติอิปัญชนาก็าลงตาเป็นดารานักร้องระดับเสาอากาศทองคานะ เสาอากาศถ้าพระปฏิบัติดีก็ได้ทำมาจากทองคำจากพระเทพไหนใช่ไหมสนุพระเทพให้ทำมาจากทองคำไปเรียนแบบโลกๆนะเพระเขาก็ได้เสาอากาศทองคำพวกเราเาทั้งหลายล่ะได้อะไรทองคำคนปฏิบัติไม่ดีเนี่ยอะไรได้ฐานทองคำฐานเผานะไม่ใช่ทองคำนะ่านดำๆนะ ปฏิบัติทำดนตรีไปเขาก็ไม่ตั้งใจหรอกนะ้อเพราะความทุกความเลยนักร้องมันก็เป็นแบบนั้นแหละนักร้องก็เป็นแบบนั้นเพราะเกี่ยวกับวงการมายาวงเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับอะไรความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงพวกเนี้ยนั่งสงมาธิปฏิบัติทำแต่ก่อนนั่งหลับตาเนาะขานั่งหลับตาแปลกมากหน้าต่างเปิดออกได้ หน้าต่างนั่นเปิดออกได้เองนะยูยงก็เปิดานะคุณแม่วิญญาณที่ทำแทงกันนะ่ะมันมาเลยสองตัวนี่กำลังจะมีสมาธิดีคุณแม่ตัวน้อยนี่มันตัวน้อยมันก็ไม่เป็นอันทำสมาธิแหะเพราะมันหวาดประว่าเอา้า ก็โมเสกมควาก็ได้แจงนลยยี่หน่อยคืก็ทำบุญละ ต, ต้องเยบุญิตาเมีกัจิมีเผยเมตตาต้องเผ่เมตตาต้องตรวจน้ำตลอดเพราะตรวจน้ำเนีย่ยเรก็ดีไปหน่อยก็นั่งสมาธิเกลีนภาพมาจิ้มคือส่งผลบุญให้ยังไม่หมดนะ่ะเดี๋ยวมันมาอีกแล้วนั่นคือถ้าจิตเรามันทำไม่เป็นมันก็จะเป็นแบบนั้นนะ เขาเรียกว่าโลกียรรอย่าทสังวัตตะกับพวกนี้มันไม่ใช่วิวัตตะวิวัตตะคือพน้นไปอันนี้มันเป็นวัตตะวลนเวลาเราปฏิบัติทมเนี่ยเราความข้ามผลเรื่องพอดีพยายามเฉยกับมันมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมไม่อยากบอกบว่ากลัวคนไม่ไมาทำบุญ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันแหละ มางทีมันไม่ค่าแต่ลูกน้อยนี่ไม่ได้ทำแต่เทียงนั่นเนี่ยอาจจะฆ่าสา ม, มีก็มีนะเนี่ยเนี่ยฆ่าภรรยาก็มีนะเนี่ยกำลังทำสมาธิสร้างจังหวะกำลังหลับตายอย่าหลับต า, า, ายไปนกขานนะถ้ามันขนพียตายพอดีเลยโยมคุณลัตต์นี่ก็เหมือนกันแล้วนี่มันผมไม่มี ก, กิ๊กมีก๊ก หลอกไม่ได้ได้วิญญาณมันหวานนี่นี่คือปัญหานะท่านเวลาปฏิบัติธรรมจิตเราถ้าทำไม่ดีนะจิตไม่ดีมันจะสะสมอารมณ์สะสมอารมณ์แล้วปัญหาคือเราไม่ได้มาล้างมานะันน่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาล้างมันออกล้างมันออกเทีนละน้อยล้างหมอเทียน้อยใหม่ๆมันดึงดูดมากดึงดูดผูกพันมากเหมือนจะไม่หลุดเนะี่ยหลายหลายคนเนี่ยเขาไปไม่ได้หรอกยุ่งยาก ไปแล้วก็คงคิดถึงอ่ะไปแล้วก็คงลําบากยงั้นงนี้นะ่ยหนูไมไ่ปล่อยวางผมปล่อยวางไม่ได้ธุร ะ, ะนันี่พ่อแม่ผมหนาแ น, น่ใครจะดูแลอนะไรใช่แล้วพ่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเราก็ไปบวชได้แล้วราะเรามันมีภาระธุระมันคิดไปอย่างนี้นะมาเถอะมาสัก่อนถ้าคิดว่าอันนี้คือปัญหาเนี่ยพรอพ่อแม่เดี๋ยวเขาก็ตายจากเราอยู่ดีเราไม่ตายจากเขาเขาก็ต้องตายจากเรานะใครก็ตามนะฝึกไว้เถอะ เออต้องดูแลสามีเออสามีเดี๋ยวมันไม่ต้องห่วงมาเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราอยู่ดีเนะน่นะหวงรรยาเออรรยาก็ไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวมันก็มีกิจกรรมมันอยู่ดีเนยะสละมันซะไปอวางมันสัไปที่ชอบที่ชอบแต่ดพี่เออยก็ว่าชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจมาฝึกฝนเนี่ยถ้าเห็นมันเป็นปัญหานี่ฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยโยมคนหนึ่งโทรไหาหลวงตาหลวงตา หนูจะปล่อยวางสามีแล้วนะเนี่ยใครปล่อยวางใครก็นแน่ใช่สามีปล่อยวางหนูแล้วเป็นยังไงหนูก็สบายใจนะหลงตาไม่ได้เป็นอะไรนะเขาไปหนูก็สบายใจมันไม่ทุกคือปฏิบัติทมแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ว่ามันไม่ทุกไปก็ดีไม่ไปก็ดีก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่าจะให้ทุกแบบเสียศักดิ์ศรีอย่างโน้นนี้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ย ไม่ได้แนละ้ตามลาวีเนี่ยไม่คือแค่ว่ามันอยู่ได้แบบสบายอ่ะชีวิตเนี่ยเนะี่ยอยู่ไม่ได้แบบสบายขาดพ่อขาดแม่ตายได้ก็ก็สบายแต่ถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยแฟนอยู่ด้วยอยากพามาปฏิบัติธรรมจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายว่าเขาจะให้เขาอยู่กับเรานานๆหรือเราอยู่เขาเนี่ยไม่ใช่แต่อยากให้เขามีจิต ด, ดีๆของเขามันเป็นเรื่องของเขาอะเนี่ย ลวงตางก็เหมือนกันรักใครช่างใครรักหยาดรักโ ย, ยมโอ้จิตถึงเขาคุณคุเอาอยกชวนปฏิบัติธรรมอยาให้เขาพ้นทุกน่ะนะอย่าให้เขาพ้นทุ ก, นะนะ อ, ยทกอย่าให้เขาเห็นสิ่งดีๆส่วนหนึ่งชีวิตเขาถ้าเขาไม่ปฏิบัติล่ะเอามันก็ไม่พ้นทุกมันก็ก็ทุกนั่นนี้ก็ทุกไม่ได้คิดว่าเขาโง่เขาฉลาด น, นะแต่พอรู้สึกเออมันผูกพันนะ่ะความคิดมันผูกพันเขามันไม่สลัดเขา เขาสัดความทิ้งไม่เป็นเหมือนต้นไม้มันขึ้นแล้วครือเถาวันมันเกาะเกี่ยวดูนะใหม่ๆต้นไม้ในต้นนี้มันจะขึ้นสูงต้นเนี้ยแต่อย่าลืมนะยอดมันจะอ่อนๆอยู่หรอกมันจะมีเถาวันตัวหนึ่งผูกพันเนี่ยแล้วมันจะโน้มไปจริงจริงมันตั้งอย่นี้แต่ผูกเส้นหนึ่งสองเส้นมันจะเริ่มอโอนๆมาอย่างเงี้ยแล้วมันดัดทีนี้พอมันโตขึ้นมันก็โตขึ้นเหมือนมันอยู่ได้นะทีแรกมันจะอุดดัดมันจะฝืนอยู่แต่พอสัตว์พันหนึ่งมันก็ท้ ต้องรับสภาพผูกพันกายเป็นติดนติดเป็นแบบนี้เลยมันงอนทีนี้ถึงแม้เราจะตัดอันนี้ออกนะตัดเถาวันนี่ออกต้วนี้มันคืนมาได้ไหมนาวได้ไหมมันมาไม่ได้นะเพราะมันมันรูปทรงมันไปแบบนี้แล้วนะคือคนนั้นก็กลายเป็นนิสัยแบบนีเพียงแต่ว่ามันไม่มีเถาวันผูกพันรู้สึกว่าสดชื่นแต่มันโกงแล้วนิสัยสันดานเป็นแบบนั้นเลยนะ มันไปแบบนั้นน่ะฉะนั้นเราจะปฏิบัติทำก็พยายามตัดตั้งแต่มันยังไม่ไปมากเนี่ยคือหมายถววันที่ให้มันเกาะมันเกี่ยวถ้ามันเกาะเกี่ยวก็เอาออกซะคือถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยมันจะดีตรงที่เขาเรียกว่าอาวัฒนาเนี่ยมันจะเอาออกไม่ได้เลยเอาออกได้แต่พระพุทธเจ้านะวัสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยนะ จริงๆนะอะไรนะรว่า ช, ชีวิตไม่ใจเฉยจบอกตัวเองได้ว่าอย่าให้ฟุ้งซ่านอะไรนะั้โอ้อีนี่มันก็รู้จักนะว่าไม่ให้ฟุ้งซ่านโอาคิดว่าศสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเขาก็เลยฟุ้งซ่านเขาไม่มายามมาเยี่ยมมันฟุ้งซ่าน อันนี้ก็เหมือนกันตัววาสนาเนี่คือสิ่งที่ผูกพันในใจที่ฝังอยู่ในใจลึกๆเนี่ยนิสัยสันดานเนี่ยคือดับกิเลสได้แต่วาสนาเนี่ยมันจะไม่ออกวาสนาเนี่ยมันจะไม่ออกเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยพอตัดปุ๊บมันก็ง อ, อเหมือนเด้ลต้นไม้มันงอนี่มันดัดถูกดัดจนงอฉั้นเราอยาให้มันถูกดัดถ้าถูกดัดแล้วมันเป็นแบบนั้นเลยนะคนนี้เข้าใจธรรมะแต่ก็งอแบบนะั้นในนิสัยเนี่ยเหมืนาอนพระอรหันต์ดงหนึ่ง แต่เป็นเจ้านายคนมาเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาตั้งแต่สมัยพรัชกาลหรอกแต่ฉันชอบตาวาดลูกน้องประจําไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันติดแล้วคํามาเนี่ยแต่พอปฏิบัติทำก็แต่ก่อนมีโทสะแต่ต่อมาไม่มีโทสะโทสะมันหลุดไปแต่ก็ชอบเรียกภาพไอ้เหี้ยเหมือนเดิมเขาโอยเกินไปแล้วเว้ยบางลูกทำมาก็ยังโอ๊ยมันมันหยุดไม่เกิดเนี่ย เอากระทวนมาหน่อยไอ้เนี้ยเอ้าไปอีกแล้วมันไปอยู่เลยแต่ว่าในใจมันได้มีคือมันโกงลงมาอย่างนี้แล้วมันไม่งอขึ้นแล้วเนี่ยมันติดสันดานนี่แห้ะแต่โทสะมีไหมมันไม่มีคือไอ้ที่มามันมันทําให้มันเป็นเนี่ยมันออกแล้วออกหรือยังออกแล้วแต่พอแกะออกตัดออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมเราเห็นไหมดูต้นไม้หลายต้นมันงอพอมันถูกดัดเพราั้นชีวิตเราอยากให้อโลพะโทสะโมหะสมมติทั้งหลายมาดัดเราลงแบบนี้ ชีวิตเราต้องเบิกบานอย่างเงี้ยมันต้องเจริญไปถึงที่สุดมันเนาะไปสู่นิพพานไม่ใช่จะไปจอดอยู่ติดกับสมมุติตัวใดตัวหนึ่งอยู่นะไปจอดอยู่กับความรักไปจอดอยู่กับความชังไปอยู่กับความผูกพันอยู่กับตำแหน่งหน้าที่และคดงอไปตามเรื่องแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเนี่ยขณะที่มันยังไม่คดไม่งอเนี่ยตัดมันเถอะตัดไอ้ความผูกพันเนี่ยตัดใจเนี่ยใจที่มันไปเกี่ยวพันเนี่ย โทรศัพท์โมหะที่มันผูกพันแล้วตัดมันซะให้มันสดชื่นให้มันมันเงยหน้าขึ้นซะมันจะพอขึ้นได้จะก็ปล่อยมันไปนี่ยแล้วมันจะเบิกบานไปถึงที่สุดของมันคือธรรมชาติไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาราสิ่งแม้แต่มนุษย์มันมีที่สุดของชีวิตอยู่ที่สุดของมันก็คือไปสู่ความรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละนะต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีถ้าถ้ามันเกิดขึ้นมาโดยไม่มีอะไรไปผูกพันมันมันก็ขึ้นตรงๆของมันนะธรรมชาติมัคือแบบนั้น แต่มันมีเถาวันมีนอดมีนี่ไปเกี่ยวมันมันก็เลยไปแบบนั้นมันงอคดไปทถานอดเถนี้ชีวิตเราก็เหมือนกันเกิดมาเนี่ยมันจะต้องรู้ตื่นเบิกบานโดยธรรมชาติแต่ว่ากิเลสมันไปผูกไปพันไปเกี่ยวมันนะพอมันเกี่ยวมันก็คตไปท่านั้นคดไปท่านี้นะงอไปเนี่ยพอไปตัดแล้วก็โอ้ยจะมาตัดเถอะมันต้องไปแบบนี้แหละคือเราปล่อยมันผูกพันไงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันผูกพันชีวิตเรา่ผูกพันจนทำเรางอขึ้นมาไม่ได้นะตั้งตัวขึ้นมาไม่ได้มันคลายว่ามันเป็นเหตุผลแบบนั้นเลยนะ ต้นไม้มันไม่น่าคดก็คดเดี๋ยวนี้ก็แปลกว่ามนุษย์ดันพอใจไม้ดัดเดี๋ยวเนี้รถตาไปเห็นไม้ดัดน้องตาสงสารมันนะมันไม่ใช่ธรรมชาติมันนนี่เอารวดไปโผกให้มันคตๆง อ, งงองแล้วแต่มันจะเป็นเน่เขาเรียกว่าไม้แคะเรียก ว, ว่าบอลใสเดี๋ยวนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่เป็นมนุษย์บอลใสทกิเลตดัดไว ตรึงเอาไว้ไม่มันกระดุกระดิกให้มันเป็นภาวะลากก็ไม่ให้ออกไปใส่กระถางน้อยแต่ใส่เม็ดปุ๋ยให้มันน้อยอืแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติลองเอาไปใส่ดินหน่ดิแล้วมันจะโตขึ้นโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้าอายุมันมากห้าสิบหกสิบีเราไปใส่ดินมันก็ไม่เกิดนะเหมือนกันเนี่ยมันถูกดัดจนชาจินแล้วพวกห้าสิบกสิบพอเอามาใส่มันไม่ขึ้นนะไอเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะ เพราะอะไเพราะมันถูกดัดคือหมายก็ว่ามันฝึกแบบนั้นกิเลสมันแดกจนเป็นนิสัยแล้วนะ่ะเรจะมาฝึกนี่มันไม่ไม่ขึ้นหลวตาจเจ้าเขาดัดอ้าวยอมเดินอย่างง่วงสร้างจาังหวะอ้ามนุษย์นะอย่าบังคับมากแล้วนะหนเหนื่อยะเนี่ท่านแกเหมือนผมลองดูดิหลวตาอามันมาทำไมเนี่คือมันดัดยากแล้วเหตุผลมันจะเยอะแล้วคือมัน มันโกงไปจนมากสังขารร่างกายก็ถูกดัดโครคไปใไ่เจ็บเลือดเอ็นพวกนี้กระดึงรัดผูกพันจะบอกเขามากเราก็รู้จักนะว่าจํากัดเขามี ข, อข้อผิดจํากัดนะยิ่งเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากเนี่ยตัวนั้นมันดัดมากตัวนี้มันดัดมากตําแหน่งหน้าที่การงานใดดัดเวลาเราไปจับดันดันหน่อยไม่ได้มันจะอึอดอัด น, นั้นคนผู้หลักผู้ใหญ่คนโตคนมีหน้าที่การงาน ตำแหน่งดีๆอำนาจวัฒนธรรไปปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเขาจะเยาะเยาะดูสักน้อยโยาะอย่างี้ไหมถ้ารู้สึกว่าอ่อนน้อมต่อมตนเออพอสอนได้ไว้คนนี้ยังพอดัดได้อยู่คือจะดัดให้มืนอนอนแต่ขึ้นดัดขึ้นมาได้อยู่แต่ถ้ามีเหตุผลมากๆเนี่ยเขากลัวมันดีดเขาไม้ตัวเนี้ยเขาไม่กล้ายุ่งหรอกเออ ย, ยมแล้วแต่บุญนะ <c oughs> ก็บททย่างนั้นแหละแม้มันดัดตัวเองมันก็ดัดไม่ได้มันไม่ขึ้นหรอกมันก็ได้อยู่แบบนั้นแหละแต่ถ้าเหมือน คนกุนท sure right? ิดาเนี่ยอันนี้มันง่ายกุลอะไรนะกุลนัดหรือเอิญเนี่ยนะเฮ้ยทาไม่ค่อยได้แต่ก็เพราะอยู่นั่งกุนทิดาเนี่ยนะดีแต่ยังไม่เป็นกุนนิ้งกุนสตรีมันยากโลกเนี่ยนั้นยิ่งอยู่ในมายามากเท่าไหร่ชีวิตมันจะยากเท่านั้น จะดัดคืนมามันดัดไม่ได้ไม่ใช่มันจะอ่อนไว้ถ้าดารานักสแสดงนะคือตัวเขาเป็นตัวหนึ่งแต่เวลาเขาไปสแสดงหนังเนี่ยเขาสแสดงได้รือแต่ผู้กำกับเจะกำกับยังไงเขาสแสดงได้อย่างนั้นเลยหลวงตาก็เคยเอาดารามาฝึกเหมือนกันนะไม่ได้เรื่องนะนึกว่ามันจ ะ, สะแสดงได้เหมือนแบบนั้นกูขอกำกับมึงสักหน่อยดีว่าอย่างง่วงนะวะวิธีการไม่ให้ง่วงไม่เป็นหนักกูเดิมอีกเดินก็เซ่สายเซ่ขวาหนักเข้าไป เวลาว่านก็งุดหิดประมาณนั้โอ้ไม่ได้เลยมันได้นักสแสดงแบบนั้นนะพอเอามาแสดงทำเนี่ยไม่ได้การสแสดงทำนี่มันต่างกับทอล์กโชว์นะเนี่ยทอล์กโชว์นี่เป็นคนละอย่างน ะ, สะแสดงทำนี่คือหมายว่าพูดถึงเรื่องสัจจะนะแต่ทอล์กโชว์นี่เป็นเรื่องมายานะมันคนละ่านคนละภาวะมันเหมือนแต่มันไม่เหมือนเป็นการพูดเหมือนกันน่ะแต่มันพูดคนละภาวะคนละแบบออกมาจากข้างใน ภาวาที่ส่งมากันอย่างหนึง่งแล้วจุดมุ่งหมายก็คนละอย่างแต่คนถ้ามองแบบตื้นๆก็เป็นแบบเหมือนนะนั้นเราปฏิบัติทมอันดับแรกเนี่ยต้องปฏิบัติทำจนกระทั่งว่าการรู้การตื่นสว่างารุจนสามารถสลายไอตัวอันนี้ได้ให้มันเกิดปุบเพนินวาสานุสติญาณ น, นี้ได้และลึกชาติแต่หนหลังสิ่งที่มันฝังใจจาเนี่ย ให้มันสลายออกไปได้และหลายคนนะกลับไปบ้านจะเริ่มรู้ว่าสบายใจนะแต่ก่อนคิดถึงเมียนะมาไม่หมาคิดถึงนะเนาะคิดถึงไหมคิดถึงแต่ตอนนี้ก็คิดถึงคิดถึงเธอเหมือนกันแต่คิดถึงอเธอจะมีบุญคนกับเราเนาะอยากส่งเรามาปฏิบัติธรรมอะไรมาเนี่ยมันจะนึกถึงแต่ภาพที่เป็นสัจจ์นะนึกถึงแต่สิ่งที่เขาดีเขางามแต่ไม่ได้นึกถึงภาพแต่เรื่องแบบไร้สาระไม่ มันจะเปลี่ยนไปอูกถึงสามีนึกถึงภรรยานึกถึงลูกถึงเต่าเมื่อก่อนเป็นอย่างอื่นแต่ตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาว่าทําไงกูจะพามันมาปฏิบัติธรรมได้วะแหน่อย่าเพิ่งคิดไปนะอันนี้ก็เป็นกิเลสนะเป็นความหวังดีก็เป็นอุปสรรคอุปสรรคที่เราจะรู้สึกตัวนี่มันไม่ค่อยได้ต้องให้ต้องให้ตั้งใจและลึกรู้ จริงจจังๆขึ้นมาถ้าผ่านตัวนี้ได้ทีนี้อดีตเนี่ยดับได้แล้วคนใหม่ๆเนี่ยจิตวันที่สาที่สี่วัที่สี่ที่ห้าที่หเนี่ยพอรู้มันตื่นขึ้นมาซะหน่อยมันจะอยู่อดีตเนี่ยระวังนะแต่ว่าจะไปตัดมันก็ไม่เฉยๆพยายามเฉยอยู่กับปัจจุบันแน่ๆมันขึ้นมากระชังขึ้นมาแล้วปล่อยมันดับไปเลยขึ้นมาแล้วดับไปเลยขึ้นมาดับไปเลยอย่าเข้าไปในมันมันเหมือนอดีตไม่ฝังใจมันมาขอส่วนบุญเรา ถ้าเราไหลไปกับมันเราก็หมดบุญซะฉนั้นเราต้องเติมให้มันเร่อเอา้ารู้สึกไปเรื่อยๆมันจะคิดๆไปมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปดูมันเฉยๆจนทำมันดับเองดับเองเลยแล้วจะจิตจะเริ่มสะอาดขึ้นสาดขึ้นแล้วจะเกิดที่เนี่ยถ้าสติมันมั่นคงเข้มแข็งตัวรู้สึกเพียงพอเนี่ยปรากฏการขั้นที่สองจะปรากฏขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นผลเนี่ยมันจะเป็นมรรคผลมรรคผลมรรคผลมรรคผลไปนะ แต่เรปฏิบัติธรเนี่ยเราไม่ต้องพูดว่าเป็นมรรคเป็นผลอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าให้มันดับทุกข์ก็ได้ใช้ได้แล้วถ้าไปพูดนั่นนี่ก็ดูสัวอ้าวกูนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยจนะ เ, ยเป็นพระอริยะแล้วกูนี่เป็นพระอริยะเป็นโสดาดันแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นพระโสดาพระโสดาคืออะไร มันทีก็คิดนะอารมณ์ระดับนี้มันขั้นไหนแล้วไปถามลงตาดีกว่าเราบรรลุขั้นไหนแล้วเราก็เริ่มมีนะไปเล่าให้ท่านฟังนะอาจานพูดนะก็ยิ้มมาน้าเดินที่ก็ยิ้มอยู่นั้นแหละกูนี่เป็นพระระดับนั่นระดับนี้นะอะไรประมาณนั้นแต่คงไม่ได้พูดหรอกมาเล่าให้ฟังเรือเล่าให้ฟังนะจะให้ทําอะไรต่อไปท่านนี้แต่จะไปให้ยิงหอกขึ้นไปนี่โตโยต้าแล้วนะนี่ฮอนด้านะเนี่ย นี่คาวานะไม่วา่าแต่ว่าเออตอนนี้ทำดีแล้วทำนี้ทีนี้ทำนั้นดีนี้ทำเพื่อให้มันทุกข์มันหายนะ่ทำยังไงมันจะหายตัวต่อมาเนี่ยอดีตเนี่ยมันจะเริ่มสลายได้ถ้ามันทำหมดมันจะหมดไปเลยตอนนั้นและเหลือเป็นความจําความทรงจําการศึกษาการเล่าเรียนในสถานที่เราเคยนะมันก็ปกตินะแต่มันจะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอยู่ในนั้น ไม่มีโลภะอยู่ในนั้นคือมันไม่มีความอึดอัดขัดเคืองคืออะไรก็ตามที่มันมีแรงขับด้วยราคาโทสะโมหะมันจะไม่เป็นละทีนี้ใจมันจะแบบว่างๆสบายๆนะคือเอาข้อมูลนำมาใช้แบบบริสุทธิ์สะอาดนี่ทีนี้อันที่สองเนี่ยถ้าสติเราเข้มแข็งนะมันไม่หลุดไปได้เนี่ยมันจะจะมีว่าจิตมันจะชอบแวะไปอนาคตนั่นทีเนี่ยแต่คิดเรื่องนั้น ไปคิดเรื่องนี้ความหวังนะอันนั้นอันนี้มันจะไปอ่ะนี่มันต้องมีญาณอันหนึ่งนะความอย่างรู้ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทำลายอันนี้อีกนะมันเหมือนกับภาวะแบบนั้นแหละแต่มันต้องสามารถทำลายภาวะอันนี้ได้ที่มันชอบแว่ไปอนาคตเนี่ยตัวอนาคตเขาเรียกว่าพบชาติพบชาติพบชาติในอดีตอันหนึ่งแต่นี่มันเป็นวิภาวะมันไม่ได้อยากอยู่แบบนี้ คือภาวะตันหามันทำลายแล้วนะการมัตตานามันก็หยุดระดับหนึ่งแล้ววิภาวะเออภวะตันหาทีเนี่ยคือติดพบในอดีตไแบบโนวันนี้เนี่ยอยากมีอยากเป็นในมึงหายไปทีนี้มันอยากไปเป็นอย่างอื่นเน่ยอยากไปในอนาคตเนี่ยตัววิภาวะตันหานี่คือถ้าเราทำลายได้ก็เท่ากับตัดสิรูนะทีนี้ก็ต้องสังเกตดูว่ามันเกิดยังไงเนี่ยสตินี้ต้อ ง, ต, องต้องทันต้องทันตัวนี้ มันจะวิ่งไปมันชอบแว บ, บไปอนาคตไปคิดเรื่องนั้นวางแผนอะโน่นนี่มันจะเป็นอยู่นะเหมือนเป็นธรรมะนะเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นอะไรมันก็จะหลอกมาเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ต้องเอาอันที่หลังนี่ต้องเกลี่ยงเก่านะบางคนมันเหมือนวิ่งบนน้นะําน่ะไต้นิดเดียวพุบไปทันทีเลยข้ามไปถึงยานที่สองไม่ทันทีแต่บางคนต้องรู้จักสมมติอย่างเกี้ยงเก่าอะไรเกิดขึนมารู้แจ้งเรื่องสมมติรู้ได้ด้วยบางคนเป็นปีนะ แต่บางคนก็สักสองสามนาทีบางคนก็ชั่วโมงหนึ่งบางคนก็วันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อเตียนท่านเป็นตอนเช้าเป็นตอนเช้าตอนเช้ารู้อารมณ์มาเนี่ยพอรู้รูปนามท่านเป็นอะไร น, นี้ทันทีเลยเป็นปุบเพนิวาสาริยานแต่พอเข้าใจมาเข้าใจมาตอนเย็นมันก็เริ่มเห็นความคิดชัดเจนขึ้นความคิดที่มันจะวิ่งไปอนาคตรู้ชัดเจนขึ้นเช่น เห็นขันห้าเห็นอะไรเนี่ยพอตื่นเช้ามาก็าเกิดปัญญาหนึ่งตัดชั่วตรงนั้นนะไม่ตัวนี้แหละที่มันจะเกิดขึ้นมาอันดับต่อไปแต่คนส่วนมากนี่ยจะได้ยานแรกยานระลึกชาติเนี่ยปัญญาทำลายอดีตตัวเองแล้วมันไม่ทุกข์กับนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณเนี่ยถ้าทำได้อันแรกแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน เพระโสดาบันนี่จะมีคนปฏิบัติทำแบบวิธีหลงพุทเทียนนี่ถ้าขยันปฏิบัติทำเนี่ยเจ็ดวันสิบห้าวันสักคอทสองคอทสามคอทก็เป็นโสดาบันในน้อยละเป็นอนุโสดาบันนะในใน้อยคือไม่ทุกข์ลวเริ่มมีสติแล้วถึงแม้ไม่ได้กาหนดโูกเวลาไปมันมีปัญหาอะไรจะชอบกลับมาอยู่กับปัจจุบันอ๋อขูลืมสตินั่นี่กู ค, คิดมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มกลับมานะ่ะมันเริ่มอยู่ในล่องในรอยเส้นทาง มาผลน้น้อยขึ้นมาแล้วคือมันเห็นทําง่ายวิธีการนะเนี่ยเพียงแต่ว่าคอร์สแรกที่เราเข้าเนี่ยตั้งใจทําจริงๆซะทําอยู่ทั้งว่าให้รู้จากตัวสติระหว่างตัวคิดกับตัวไม่คิดตัวจิตว่างกับตัวจิตที่มันคิดกับตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันแย ก, กออกจากกันชัดเหมือนอันนี้นี่อยู่ๆมันหลุดจากมือนี่นี่ <c oughs> เสียง น, นั่นนี่เสียงมอือ คือพอหลุดตัวไปนี่ปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันจะหลุดไปของมันเองหูมันก็หลุดอันนี้ก็หลุดตัวมันก็หลุดมาแตกกระจายไปเลยมันจะแตกเขาเป็นเสี่ยงๆน่ะเหมือนกันเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไปมาไอ้ทั้งคิดทั้งงวงทั้งเงาทั้งเบื่อทั้งอะมันเหมือนปุ้มคูลูอยู่อันเดียวกันเนี่ยเป็นอันเดียวกันคิดกับรู้สึกตัวนี่มันแยกออกจากกันไม่เป็นนะง่วงพวกเนี่ยมันออกจากกันไม่เป็นนะมันเป็นในดีววิธีชีวิตกูก็คือแบบนี้นี่อย่ามายุ่งกับชีวิตกูทํำไมกูไม่ปฏิบัติธรรมเนี่่็งวา เฮ้โยโยมอย่าไปยึดถือมันไม่มี น, นะนะนั้ะโยมปล่อยวางซะมันก็ไม่ปล่อยวางเดินไปมันก็ง่วงเดินไปเขาฝืนจริงๆนะเขาพยายามสู้ๆไปสู้มาคือพยายามปล่อยให้ได้ปล่อยตัวงว่วงเนี่ยมันติดมือเนี่ยติดอย่างเงี้ยติดตัวคิดอยู่ๆมันก็หลุดมือเขาเนี่ยพอหลุดมันแตกกระจายพวกล่ะเลยมันแยกออกจากกันน่ะเฮ้ตัวคิดตัวหนึ่งตัวจิตว่างๆเป็นหนึ่งตัวรู้สึกตัวเป็นหนึ่งตัวกายนี่ก็เดินมันเริ่มแยกออกเป็นกองเป็นกองเขาเรียกว่าขันห้ามันจะเริ่มแยกไป มันแยกของกันของมันพาว่าแบบนี้แหละมันได้มันเริ่มเห็นทางแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะชีวิตจริงๆมันคนอันกันไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยไอ้ที่ผู้พันคิดนั่นคิดมันคนละเรื่องกันพอมันหลุดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นแบบนี้นี่แต่อตัวรู้สึกตัวนี่เหมือนน้ามันนะคือคือแทนที่มันจะจับสมมติแทนที่มันจะจับความคิดเราก็ใรู้สึกตัวก่อนความคิดแล้วก็ตัดความคิดเราก็ตัด ถ้ามันยังไม่คิดล่ะเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเตรียมตัวรู้สึกตัวเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อตัดให้มันคิดไม่ให้มันจับอันนี้เนี่ยไม่ให้มันจับสมมุตินี่มากๆมันจะมีจังหวะหนึ่งแล้วมันหลุดออกไปมันเป็นรูปเป็นนามมันแยกออกมาเองอย่างนู้นที่หลวงพ่อโอโหไอ้เหลียวไปตรงไหนเป็นรูปเป็นนามไปบอสโอ้ยจิตเราพ้นดวงแล้วเราพ้นดวงแล้วเมื่อหลวงพ่อที่พูดเมื่อกี้น่ะกี่วันนะสี่สิบสามวันดันถึงเป็นบปเนี้ยโอ้มันเป็นยีนอ่นเนี่ะ ภาวะอนะไรเป็นโอ้ยร่างกานี่เราม่เราจะไม่ทําอย่างอื่นแล้วนอกจากการเผยแพย่ธรรมะแล้วทีเนี้ยธรรมะมันมีจริงนาะเนี่ยคือยืนยันได้เลยนะ่ยแต่ก่อนทําบองโย ท, ทําพุทโธก็ไม่เข้าใจปานีนนนน้อันนี้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาอันนั้นแหละคือมันภาวะของการเข้าสู่กระแสมันจะเกิดขึ้นทนันทีกระแสพระนิพพานนะ่ะเริ่มแรกก็คือต้องต้องปล่อยวางอันนี้ให้ได้ก่อนให้มันแยกไปก่อนเราเห็นเลยในจะิตเราแยกเป็นสองงานสามมันเลยเฮ้ย <c oughs> มันต่างเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ส่วนมากบางคนหลงดีใจมากก็เลยแยกแยะไม่เป็นอันมีแต่มัวดีใจอยู่พอกลับมาหายจ้อยเมืองนี้นี่มันต้องใส่ใจที่จะระลึกผู้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วจะทําตัวที่สองนั้นได้แล้วตัวที่สามนี่จะเกิดขึ้นมาโดยโดยธรรมชาติมันนะเราไปทําอะไรกับมันไม่ได้แต่จิตมันอยู่ในกระแสแล้วเนี่ยมันไม่ออกหรอกพอมันเข้าไปสู่ภาวะอันนั้นแล้วมันไม่ออกเพียงแต่ว่ามันจะมันจะอาสวะมันจะดับตอนไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง จะเกิดยานเดือนยังอย่างรู้ว่าเอออันนี้ทําแล้วอันนี้ดับได้แล้วตัวนี้ดับได้แล้วมันจะเกิดปัญญาเท่านั้นแ้นตัวสติเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของชีวิตที่จะไปไขไปสู่ความลับของชีวิตทั้งหมดที่เราเกิดมาเนี่ยทาไมกูเป็นอย่างนเนี้ยทํำไมกูเป็นทํำไมชีวิตกูเป็นเนื้อนี้ตัวนี้จะถูกไขมันจะไขไปได้เลยเรามาปฏิบัติธรรมคือมาปั๊มลูกกุญแจแหละเนี่ยปั๊มลูกแจ แล้วก็าแย่เขาไปในรูมันรูตรงไหนรูของจิตนี่แหละเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันรูมันอยู่ไหนคิดกันมาคุณ่ังแย่รูไหนเนาะอันนี้เพราะมันยังไม่มีอันนี้ไงไม่มีลูกมัเนี่ยลูกมันก็ยังมันมีรูมันก็ยังหาไม่เห็นรูมันจะเห็นรูมันตรงไหนตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเห็นว่างๆโปร่งๆน่ะเฮ้ยมันเป็นรูคือมันเป็นช่องของจิตที่จะต้องเดินไปทางนี้นี่แล้วจะใส่ตัวรู้ไปตรงนั้นแหละเหมือนอย่างเนี้ยเราอยู่ในห้องมืดๆเนี่ย เราจะดูข้างนอกดวงอาทิตย์มันมีอยู่เขาว่าข้างนอกมันสว่างสว่างแล้วก็ไม่เห็นนะ่ะพอมันมืดหมดแล้ววันหนึ่งเราแงะไงไปตรงนั้นตรงนี้ก็เอาเริ่มมีแสงสว่างออกมาน้นๆโอ้ตรงนี้แล้เราจะเจาะตรงนี้ทีนี้เราจะหมุนเข้าไปตรงรูเนี้นะคือดันเราก็จะดันตรงนี้แหละเพราะความสว่างอยู่ตรงนี้คือความโลง่ลงๆของจิตเนี่ยนิพพานนี่ต้องไปตรงนี้มันจะมองออกทนันทีว่าช่องเนี้นะเราก็ตั้งใจบกุกเขาเขาเวลาเห็นว่างๆมีแล้วนี่ตัวไม่คิดมันก็มีตัวรู้สึกเฉยๆตัวไม่ทุกข์มันอยู่ตรงนี้นะ เล่งเอาตัวนี้อยู่ๆก็หลุดพะออกไปได้โอ้มาทางนี้นี่เองนาะนี่การรู้แจ้งรู้ถึงความแจ้งความสว่างของจิตมันอยู่ทางนี้นี่เองมันอยู่ตรงนั้นเวลามันออกไปได้มันก็เป็นเหมือนนั้นน่ะแต่คนมันไม่ยอมบอกมันอยู่ในที่มืดนะเหมือนกบอยู่ในกาลาครอบเหมือนหมาอยู่ใต้ทุนศาลาวัดมันออกไม่ได้แต่มันก็พอใจนะแต่ในขณะที่มันก็เริ่มเป็นกี่เลือนขึ้นมานะนะเราเห็นนีหมาแต่ละตัวไม่มีทุระอะไร บอกให้ไล่นี้ไปอยู่ที่มันก็ไม่ไปมันก็อยู่ในนั้นนะวันหนึ่งมันก็คันเล่นกีตาร์ใช่ไหมมันอยู่ประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรเราก็พอใจอะไรประมาณนั้นนั้นอยู่จนติดนะบางทีเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้เราเคยได้ยินนะคนจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันห่วงบ้านห่วงเรือนจะปลีกวิเวกเนี่ยเขาเรียกว่าอาวาสปริโพศ อาวาสปริโพศปริโพศก็คือความวิตกกังวลความห่วงหาอะไรเรื่องที่อยู่พออยู่ตรงไห น, นมันกลายเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาแล้วมันออกไม่ได้อันหนึง่งปริยัตปริโพศห่วงเรื่องการศึกษาห่วงเรื่องการเรียนรู้นะอันหนึ่งเป็นมาตาปิตุปริโพศห่วงครูบาอาจารย์ห่วงพ่อห่วงแม่แล้วไปปฏิบัติทำไม่ได้เขาเรียกว่าปริพศ มันปริพ์นั้นเราเคยได้ยินน่ะทางบ้านเราจึงสร้างโบสถ์เสร็จพระท่านจะหนีไปจําำรรษาที่อื่นมีไหมท่านหลีไปน่ะใช่ไหมเขามันเป็นข้อวัดปฏิบัติคนโบราณน่ะเขากลัวมันออกล่ามันฝังแล้วมันเป็นภพเป็นชาตินั้นเขาต้องให้มันออกไปก่อนออกไปมันออกไปได้ไหมมันทวนกระแสได้ไหมเขาจะให้ออกไปให้ออกไปเป็นช่วงเป็นช่วงโยนทั้งว่าเฮ้ยจิตมันไม่ติดอยู่ก็ได้ไปก็ดีเงี้ยห่วงมันไม่มีในใจอ่ะ เขาเรียกว่าตัดปริพุทธปริพุทธมีอยู่แปดอย่างนะแอย่างในหลายคนมาปฏิบัติธรรมกห่วงอาชีพห่วงการศึกษาห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงสารพัดเดี๋ยวนี้มีหลายคนนะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาไม่ได้ผัวก็ไม่มีเมียก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีแต่ห่วงหมากับแมว มีไหม ม, มีนะไปไม่ได้หรอกต้องสามชีวิตไปไม่ได้หรอกต้องอะไรมันก็ว่าไปเลยมมโยอมคนหนึ่งร้านาว่าไม่ได้นะมาปฏิบัติธรรมกับไม่ชีในวัดลุงตาไม่อยู่เขามาเขาจูงหมาเขามามันนุ่งเสื้อสวยงามมากนะเอามาสมัครปฏิบัติธรรมเอาหมามาด้วยนะ กับข้าวเขาก็ซื้อมาหมดน่ะกับข้าวเขาก็ซื้อมาซื้อมาสำหรับใส่กระมังให้มันกินน่ะมาไม่ชีว่าหลงตายเห็นหลงตายด่านะแบบนี้ไม่ได้นะมัยโอ้ยไม่ทีบรรลุทำแล้วมันต้องมีเมตตาเกอบอกอ้า ว, วถ้าไม่มีเมตตาแล้วจะรู้แจ้งไปทำไมเนี่ยอะไรประมาณนะั้นไม่ชียังไม่ถึงทำขน้นนั้นน่ะไม่ชีดูท่านไม่ออกรอก โยมมาหนังซื้อมามากแล้วท่านต้องมีเมตตาแหละเป็นผู้หญิงสาวแก่สาวแก่นี่สาคัญ <laughs> มันไม่มีอะไรเล่นเนาะก็เล่นหมาเล่นแมวไปเนี่ยลูกแม่ลูกแม่เขาพูดกับหมานะลูกแม่นั่นนะ่ะ <laughs> เฮ้ยมันดูผิดหรือเปล่าว่าลูกแม่ได้ยังไงหมานะนะั่นน่ะ แต่มันก็ต้องว่าเพราะเพราะมันผูกพันเนี่ยเหนียวเหม๋วอะไรต่างๆเขาคือเขาติดไงนะคือกามเนี่ยมันออกทางหนึ่งไม่ได้มันจะออกทางหนึ่งนะคือออกความรังเรื่องเพศไมแล้วก็ออกเรื่องความผูกพันความอะไรประมาณเนี่ยเลี้ยงลูกไม่นําก็ตัวเลี้ยงหลานเนี่ยเงินเนี่ยมันไม่ได้ใช้ใจเพื่ออย่างอื่นเนาะเพื่อลูกเพื่ออะไรประมาณมันก็จะมาเลี้ยงหลานเพราะว่าเป็นเงินไข มีความสุขแล้วเผื่อตอนตายเขาจะได้มาเอาใจใส่กูว่ามันจะคิดไปสารพัดมันก็เสียเงิ น, นะเสียเงินกับหลานนี่มากกวเสียเพื่อลูกนะอดีรักมากด้วยก็จะเป็นแบบนี้แหละมันติดมันยึดแล้วไปไหนไปไม่ได้เลยทีนี้ไปไม่ได้ผูกพันทั้งที่เขาว่างนะเขาไม่มีอะไรนะแต่เขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้มันติดมันผูกพันยากโอ้ติดดอกไม้ ปูกดกไม้ไว้ในบ้านใครจะลดละ่ะต้องจ้างคนนั้นต้องจ้างคนนี้เอาใจใส่ดูเลยจึงจะไปได้ไปปฏิบัติธรรมโอ้ยบนขนสมมะขามเปียกนะั่นลงทาาใช่ไหมติดขนส่งมะขามเปียกไหมเออเ น, นแต่ตอนนี้ภรรยาแต่ก่อนห่วงแต่นี้เขาไม่ห่วงเนาะเขาไปได้ถ้าไปปฏิบัติธรรมแต่เราก็จะมีปริพเทศในใจเราคือกิเลสเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะปล่อยเราอะ่ะมันดักเราอยู่ดีแหละ ไม่อันหนึ่งกับอันหนึ่งไม่อันนึงกับหนึ่ ง, นนงเราสร้างกิเลสขึ้นมาดักตัวเองไม่ใช่คนอื่นเป็นภาล่าแล้วนะเรานะ่สร้างปัญหาขึ้นมาดักตัวเองมันเกาะเอาไว้นั่นต้องไปสังเกตดูให้ดีว่าจิตเรามันติดอะไรมันผูกพันอะไรมันถึงเวลาที่เราต้องใช้ปัญญาขั้นเฉียบขาดตัดชั่วเนี่ยโยมนี่ถือว่าหลายหลายคนนะลงตาว่าอาจจะมีอยู่มีกินอาจจะไม่มีอยู่มีกิน หรือบางทีที่มานี่อาจจะหมายถึงหน้าที่การงานถูกไล่ออกก็มีนะมันไม่ใช่ง่ายนะแต่โยมก็เด็ดขาดนะเด็ดขาดมากล่ามาแล้วก็ปฏิบัติทมทั้งฟงซานคิดว่าอ้ยจกูจะรอดไหมนะกูจะมันจะคุ้มค่า ก, กับกูมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนะั้นแต่โยมก็ฝืนก็ฝึกอืนอนุโมทนาขอให้ได้ไปเกิดชาติหน้าในภพภูมิที่ดีนะ <laughs> เอา มันตั้งใจปฏิบัติทำให้ขอให้ชาติหน้าได้ส่งผลบุญกุศลกุสูงนะให้นิพพานในอนาคตการหรือจะเอาชาตินี้อถ้าเอาชาตินี้ก็ปฏิบัติเอาแล้วก็เร่งเอาอะจะมาหลับลับตื่นตืนี้มันจะได้แล้วมาขออยู่นี้มันจะไม่ได้เลยไมนมีให้หรอกข อ, อนั่นข อ, อนี่พระพุทธเจ้าไม่มีคําว่าขอนะคนเรานั้นดีแ ต, ต่ว่ายหลวงพ่อปฏิทัศนว่า นั่นดีแต่ว่ายพวกเรานั่นดีแต่ขอแต่ว่าแต่พอปฏิบัติทำสอนให้ปฏิบัติทำกำหูไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินชาวบ้านทั้งหลายต้องปวงชวนไปไปฏิบัติทำจ้างเขาก็ไม่ไปเขาไม่ไปนะเพราะอะไรถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคือเขาอยู่ในฐานะที่ลำบากกว่าเราอะนอกจากมันถูกปลูกฝังทางนักวัฒนธรรมมาอันหนึ่งอันที่สองคือ การทํามหาเลี้ยงชีพเนี่ยเขาลําบากกว่าเราถ้าลามาเนี่โอ้ยลาเจ็ดวันในลูกหลานเขาจะกินอะไรมันลําบากนะไม่ว่าที่ไหนนะคนในพื้นที่จะไม่ค่อยได้ปฏิบัติวัดหลวงตาบัวก็เหมือนกันรอบๆไม่ได้ปฏิบัติทนะคนทั้งอึกมาปฏิบัติทำวพระสมบรรณก็เหมือนกันไม่ว่าที่ไหนอะ่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วถ้าพูดถึงว่าอ่า นอกจากฐานะต้งแต่วัฒนธรรมแล้วว่าหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิในจิตเนี่ยเขาจะมีน้อยความเข้าใจจริงๆเนี่ยพื้นฐานทั้งจิตเขาจะมีน้อยนั้นเราที่มาปฏิบัติทําได้เนี่ยมันสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเหลือแต่มาทําให้มันเป็นจริงนะนี่เหลือแต่มาทําให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเขาตั้งใจนะ ชาวนี้ก็อนุโมตนาอ้าวนโม